ใช้ชีวิตคนเดียวยังคงฟังเพลงเดิมคนเดียวยังคงเดินต่อไปคนเดียวยังไม่มีปลายทางยังคิดถึงเรื่องเก่ก่ายังคงไปที่เดิมของเรายังคงมีแต่ความเงียบเหงายังรู้สึกอ้างว้างอยากที่จะรู้ถ้าเป็นอย่างไรจะสุขหรือทรายดีแค่ไหน จะคิดถึงบ้งไหมคิดถึงบัางไหมส่วนฉันัน้นยังยังคงรักเธอไม่เคยเปลี่ยนไปยังมีหัวใจที่มี playing อยากที่จะรู้เธอเป็นอย่างไรจะสุขหรือทุกข์รายดีแค่ไหนเธอจะคิดถึง ชีวิตเหมือนเธออยู่ข้างกันยังคงรักเธอไม่เคยเปลี่ยนไปจะมีทางใดที่เราจะได้พบกัน จะเล่าให้เธอได้ฟังแต่เธอไม่อยู่แล้วก็คงฉันได้เพียงแค่รอเธอจะมีโอกาสจะขอให้ฉันอีกสักครั้ เลืาวไปแล้วมีใหม่ไปแล้วแต่ฉันยังฟังเพลงเดิมๆเเคยอกให้ตอนนี้เธไม่แต่ฉันยังจะพร้อมจะเดิมบนทางใหม่เธพร้อมไปแต่ฉันยัง keep on say cool เทำได้แต่ฉันยังจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่จะ shine bright แต่ฉันยังนอนคนเดียวน king size อ alright แต่ฉันยังรูปคู่เธเคยถ่ายจะทิ้งไปแต่ฉันยังเรื่องเรามันอาจจะตายเลืมได้แต่ฉันยังยังของรักเธอไม่เคยเปลี่ยนไปยังมีหัวใจที่มี ยังคงรักเธอไม่เคยเปลี่ยนไปจะมีทางใดที่เราจะได้